เราว่าสร้างเหมือนเหมือนปรึกษาเทวดาว่าัไงคำว่าอริยกะเนี่ยนะมีประมาณเท่าใดมนุษย์อริยกะก็คือผู้เจริญผู้มีความรู้มีการศึกษาเป็นต้นน่นนะสถานที่ตรงนั้นก็เป็นที่แก้หอสินค้าก็บอกว่าสินค้าใดที่หาไม่ได้ในชมพูทวีปไปหาที่เมืองปาตลิบุตรสมัยก่อนโน้นนะยิ่งสมัยพระเจ้าอาโศกพศสองร้อสามรอยไปแล้วเนี่ยเมืองยิ่งใหญ่มากมันใครที่ไม่มีสินค้าหาสินค้าไม่ได้ก็ไปหาที่โน่นแหละ จริงอยู่ทุกๆวันมูลค่าการเกิดขึ้นห้าแสนเรียกว่าภาษีวันละห้าแสนสมัยนั้นนะเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยนะที่ประตูนครทั้งสี่ด้านสี่แสนท่ามกลางพระนาครอีกหนึ่งแสนเกว่าภาษีเก็บได้วันละห้าแสนวันละห้าแสนโบราณ น, นี่ถือว่าโหปีทุกวันนี่ก็คงเป็นหลายร้อยล้านมากเลยนะวันหนึ่งเก็บภาษีได้หลายร้อยล้านเลยแหละแต่ว่าปัญหาของเมืองนี้มีอยู่สามอย่างด้วยกันคือหนึ่ง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 แล้วก็ก็รู้สึกไม่ชอบอ่ะนะแต่ว่าก็ทนได้รับได้เพื่อนก็มาว่าผมทนได้ยังไงวะเนี่ยขนาดแม่เองยังทํายังขนาดนี้กับเองนะเป็นต้นเสยียดไปเสียดมาเนี่ยนะอยู่กับแม่อย่างงี้ได้ยังไงออกไปเธอเนี่ยพวกสอเสียดทั้งหลายก็เริ่มที่จริงปัญหาบางทีเรื่องมันนิดเดียวไอบ้บางช่างยุบางช่างแย่บอกทนอยู่ทําไมทําไมต้องทนเป็นต้นเอกคนหนึ่งก็เอาละเนี่ยนั้นอีกฝ่ายหนึงก็เริ่มมีปัญหานั้นคนที่พูดเนี่ยนะพูดแล้วเขาสามารถขี่กันไหมพูดแล้วเขา ปรองดองกันขึ้นไหมบัณฑิตทั้งหลายจะไม่พูดเสียงใดให้เกิดความแตกแยกเนี่ยนะจะไม่พูดเสียงใดเพื่อขาดความสมัครสมานสามัคคีขาดความปรองดองกันดังนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงไม่ค่อยมีปัญหาแต่คนผ่านทั้งหลายเนี่ยมีความแตกแยกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะงนั้นคนที่อยู่ในโลกของวาจาเนี่ยนะเป็นกรรมที่ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมากก็คือกรรมประเภทวจีกรรมหรือกรรมประเภทวาจาพันจะบุญจะบาปจะ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 ประเทศเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรเพราะพวกที่ยุแยเนี่ยนะเป็นกรรมที่ที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาอาคุศลกรรมทั้งหลายเพราะว่าปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะเพรา ะ, ะการยุแย่เนี่ยนะเป็นเหตุให้ทําปาณาติบาตก็ได้เป็นเหตุให้ทาาําททอธินนาทานทํากาเมทําพูดมุสาหรือดื่มสุราเมรัยเป็นเหตุแห่งบาประกรรมอย่างอื่นมาอีกมากมายเนี่ยนะเพรานั้นใครที่จะยุโยงส่งเสริมให้ใครเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งต้องทบทวนว่า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 พราะปลูกในสถานที่ดินอุดมสมบูรณ์น่อยมันให้ผลอยู่ได้เป็นร้อยปีปีละเป็นตันถ้ามันให้ผลอยู่ปีละตันปีละตันร้อยปีเนี่ยนะกี่กี่ลูกอะกรรมที่เราทําลงไปก็เหมือนกันเพราะมาเมล็ดพันธุ์ไปหนึ่งครั้งเนี่ยเวลามันให้ผลไม่ได้ให้ผลหนึ่งแต่มันให้ผลคูณแสนคูณล้าน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 นะแล้วก็อีกลายแห่งเนี่ยนะบ้านเมืองเสียหายก็เ<ๆ>กิดจากการส่อเสียดกันทั้งนั้นนะพวกคาบข่าวพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะนั้นก็บาปทั้งหลายก็ไม่ได้อยู่ไกลรอกเนี่ยนะบอกว่าร่างกายของเรานะีส่วนที่อาศัยทําบุญทําบาปได้มากที่สุดก็ลิ้นสองนิ้วนี่แหละลิ้น3มนิ้วตวัดขึ้นตวัดลงนี่แหละจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็อยู่แถวๆนั้นเนี่ยบรรดากรรมที่หนักๆมากเนี่ยนะมิจชา่นทิฏฐิกวาจานี่อยู่ใกล้ๆกันท่านว่ากั้น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 แนวความคิดของคนนั้นอนะ่ะเขาคิดอะไรอยู่เป็นจํานวนมากปริมาณที่มากแห่งความคิดของเขาเขาคิดอะไรก็ดูจากคำที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเป็นไปตามทัศนคติของเขาทุกประการถ้าเขากล่าวว่าจีทูจริตก็แสดงว่าอากุศล ว, วิตกเขามีกาลังทัศนคติที่เลวร้ายเนี่ยนะอยู่ภายในบนพื้นฐานที่เกิดจากมิจฉาทิฐิเป็นต้น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 นะบอกตั๋วเครื่องบินตั๋วนี้เที่ยวนี้ฟรีแต่ว่าชวนไปแล้วไม่มีใครรอดสักคนหนึ่งเนี่ยน่าสนใจไหมงั้นการพูดอะไรทั้งหลายแหละก็เหมือนกันหลายคนเขาทําแต่เราต้องทําด้วยไหมบางคนก็บอกโออก็เขาทํำทุจริตกันเราก็เลยทําด้วยอ้าวงั้นเขาเป็นเอชกันทําไมไม่เป็นกับเขาล่ะนะถ้าเขาเป็นโรคมะเร็งกันแล้วทาไมไม่เอาก้อนมะเร็งนั้นอนะ่ะมามาเพาะเชื้อลงในร่างกายของตัวเองล่ะเขาเป็นวัณโรคก็ไปสูดอากาศหายใจของเขาเข้ามาให้มันเต็มปอดลึกๆเนี่ย น, นะ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 แม้ตอนแรกเขามันว่ารักกันดีมากเลยนะแม้ขอเจอกันตลอดไปไงั้นในที่สุดโอ้ยพอแล้วพอแล้วเนี่ยนะจะต้องพาจะต้องเจ็บจะต้องปวดขนาดไหนก็อย่าง